บทที่9กุติกรรมฐานหลังแรกเช้าวันรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาวัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยกันสร้างกุติกรรมฐานนางแต้มภรรยากำนันเขียวก็ถือโอกาสอ้างคุณความดีของสามีไปเกณฑ์พวกหนุ่มๆในหมู่บ้านมาได้อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มาส่วนใหญ่จะรู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างอาคันทุ ก, กะทั้งสาม ยกเว้นพวกหนุ่มๆที่พากันเข้าใจว่าตากับยายพาหลานสาวมาบำเพ็ญมหากุศลนจึงต่างคนต่างหมายมั่นไว้ในใจว่าจะต้องทำให้สาวน้อยสนใจตนเท่านั้นหนุ่มที่ฐานะดีกว่าเพื่อนดูจะมีความหวังมากกว่าใครๆด้วยคิดว่าหากสองตายายจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นมากมายสักเพียงใด ตนก็จะทุ่มเทจนสุดตัวแม่สาวน้อยผู้นี้ก็ช่างน่ารักสงบสงเง่ยมเจียมตัวไม่มีท่าทีว่าจะทอดสะพานให้แก่ชายใดผู้หญิงที่วางเนื้อวางตัวได้สมกับเป็นกุลสตรีเช่นนี้ชายใดได้ไปก็นับว่าเป็นบุญวาสนาที่คงจะได้สร้างสมกันมาแต่ปางก่อนงานสร้างกุฏิกรรมฐานดําเนินต่อไป กระทั่งตกค่มจึงเสร็จเรียบร้อยนางเอิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบครอบหล่อนให้โบกปูนรอบเสาทุกต้นเพื่อใช้หล่อน้ำกันไม่ให้หมดหรือว่าปลวกขึ้นกุติมาสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็เป็นอันว่ากุติกรรมฐานถูกสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินหนึ่งช่าง ตามที่โยมาบาลสั่งมาทุกประการสาวน้อยมีอาการปิติอย่างเห็นได้ชัดหล่อนประนมมือไหว้ขอบคุณญาติโยมทุกคนที่มาช่วยสร้างพวกนุ่มๆต่างแย่งกันยกมือขึ้นรับไหว้หมายจะสบตากับสาวน้อยเน่นเฉลียวเห็นแล้วก็ให้นึกขำแล้วก็นึกเข้าข้างตัวเองว่ามิใช่ท่านเข้าใจผิดแต่ผู้เดียวรอก พวกนมนมเหล่านี้ก็มาแบบเดียวกันกับท่านอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนพี่ปุญจ๊ะฉันว่าเราคงต้องขออนุญาตหลวงพ่อท่านค้างที่นี่อีกสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยทาบุญถวายกุฏิแล้วค่อยพากันกลับวันนี้ก็ค่มแล้วคงจะลำบากหรือพี่ทองคาจะว่ายังไงจ๊ะหลอนถามภรรยาใหม่ของสามีด้วย พวกหนุ่มๆได้ฟังก็รู้สึกเอะใจสาวสวยน่าจะเรียกในปุ่นว่าตาแต่กลับเรียกพี่ปุ่นมันชักจะยังไงยังไงชอบกลนหนุ่มคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงได้ถามนางแ้มขึ้นว่านะแม่สาวคนนั้นนะ่ะเขาเรียกลุงคนนั้นว่ายังไงนะผมฟังไม่ถนัดนางแต้มจึงถือโอกาสตอบข้อสงสัย เขาเรียกพี่จ้ะก็เขาเป็นผัวเมียกันแม่หนูเนี่ยเป็นเมียเก่าส่วนป้าคนนั้นเป็นเมียใหม่อะไรกันนี่นะ้ายังสติดีอยู่หรือหรือว่าตัวผมเนี่ยสติเสียถึงได้ฟังนะ้าพูดไม่เข้าใจนางแต้มรู้สึกขำจึงตอบว่าเออทั้งเองทั้งข้าก็ไม่มีใครเสียสติหรอก เรื่องมันยาวเอาเถอะข้าจะเล่าย่อๆให้เองเข้าใจคือว่าแม่หนูคนนี้เขาเคยเป็นเมียของตะปุ่นเมื่อชาติที่แล้วทีนี้เขาเกิดระลึกชาติได้จึงขอพ่อแม่มาอยู่กับผัวส่วนตะปุ่นหลังจากเมียตายก็ได้แต่งงานใหม่กับน้าคนนั้นเขาก็เลยอยู่กันแบบสามคนผัวเมียทำไมแม่สาวคนนี้ถึงได้คิดสั้นอย่างนั้นล่ะ อยู่ดีๆมามีผัวอายุคราวปูคราวตาหนุมน่มๆมีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกหนุม่มน้อยพูดเสียงตํำหนินึกเสียดายใจแทบขาดเสียดายความสาวความสวยของหล่อนกอคนเขาเคยมีบุญคุณกันมาแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็ต้องทำตามคำสั่งของยมบาลไม่เช่นนั้นก็ต้องกลับไปนรก น้ายิ่งพูดผมยิ่งงงแต่เอาเถอะไหนๆผมก็อกหักแล้วคงไม่คิดจะแย่งชิงเมียคนอื่นหรอกครั้นจะรอให้ผัวหล่อนตายไอ้ผมก็เห็นจารักไม่ลงผมไม่อยากเป็นสองรองใครหนุ่มคนนั้นพูดอย่างปัดอกตัดใจได้แล้วหลวงพ่อหนูกับพี่ปุณเห็นจะต้องขออนุญาตค้างที่วัดอีกสักคืน พรุ่งนี้ทำบุญถวายกุติแล้วจึงจะพากันกลับหลวงพ่อคงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะนางเอิ้งขออนุญาตพระเจริญตามสบายจะหนูแม่ชีก้อนทองเขาคงเต็มใจที่จะให้หนูพักอีกสักคืนหรือจะอยู่เข้ากรรมฐานฉลองกุติเลยดีไหมเอาไว้วันหน้าดีกว่าจะ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่งกุติก็ ไม่ได้ทำพิธีถวายจะให้ใครเข้าไปอยู่ก็ไม่เป็นการสมควรตกลงว่าหนูจะอยู่ที่ศาลาหลังเดิมก็แล้วกันหลังจากทำวัดเย็นแล้วหนูจะขอกรรมฐ า, านหลวงพ่อกลางคืนจะให้แม่ฉีสอนเดินสอนนั่งให้แล้วจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านอันที่จริงหนูก็เคยปฏิบัติมาแล้วจากเมืองนรกแต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่เคยปฏิบัติอีกเลย เหลือเวลาอีกห้าปีหนูก็จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วเวลาที่เหลือหนูจะเพียรสร้างแต่กรรมดีจะไม่ทำกรรมชั่วอีกเลยจ้ะหลอนเรียนสมภารวัดป่ามะม่วงตามที่โยมาบาลกาชับมาด้วยไม่ประสงค์จะกลับไปเมืองนรกอีก ดีแล้วละหนูว่างๆหลวงพ่อจะไปเยี่ยมที่บ้านนะจะได้ไปดูว่าจริงอย่างที่โยมาบาลพูดไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่าอีกห้าปีค่อยเจอกันท่านรู้ว่าบุคคลทั้งสาจะไม่ได้กลับมาที่วัดป่ามะม่วงอีกเพราะกลับไปจากวัดนี้ไม่นานในปุ่นจะเป็นอมภารไปไหนมาไหนก็ไม่ได้และแม่หนูเอิ่งก็จะคอยปรนนิบัติสามี เป็นการทดแทนบุญคุณบ้านผมไปลำบากหน่อยนะครับหลวงพ่อต้องเดินกลางทุ่งใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนวันแต่หลวงพ่อยังนมยังแน่นถึงอย่างไรก็คงลำบากน้อยกว่าผมไม่ปุ่นกราบเปลี่ยนไม่เป็นลายหรอกโยมอาตมาเคยเดินทางไกลมาหลายหนแล้ว ก็ถือคติตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางเรื่องความอดทนนะอัตมาได้นิสัยมาจากโยมยายสมัยเป็นเด็กอัตมาตื่นตีสามหาของไปขายที่ตลาดบางขามซึ่งห่างจากบ้านตั้ง14กิโลเมตรแล้วก็ต้องขายให้หมดเพื่อจะได้กลับมาให้ทันไปโรงเรียนชีวิตลำบากมาม า, มากแต่ก็ดี เพราะว่าทำให้อัตมาไม่กลัวความลำบากอีกต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงเล่าความหลังตอนสายของอีกวันหลังจากที่ทำบุญถวายกุฏิกรรมฐานซึ่งเป็นหลังแรกของวัดป่ามะม่วงแล้วนายปุ่นก็พาภรรยาทั้งสองกราบลาสมภากรกลับบ้านที่อำเภอท่าตะโกซึ่งการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเล เพราะนอกจากจะต้องนั่งหลังคดหลังแข็งอยู่ในเรือตั้งครึ่งค่นวันแล้วยังต้องเดินอีกประมาณยีสิบกิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปอีกไกลโข ổ. นับตั้งแต่วันมีกุฏิกรรมฐานหลังแรกซึ่งพระเจริญมักจะบอกกับญาติโยมว่าสร้างโดยหญิงสองร่างนางสองชาติ ก็มีผู้ที่ใจบุญใจกุศลมาสร้างให้อีกหลังแต่ไม่มีหลังใดสร้างได้สวยงามและสิ้นเปลืองเงินน้อยเหมือนหลังแรกโดยเฉพาะที่แตกต่างมากก็คือไม่ได้โบกปูนรอบเสาวไว้ล่อน้ำซึ่งนับปกุติกรรมฐานหญิงสองร่างนางสองชาติเป็นหลังแรกเป็นหลังเดียวที่ไม่มีช่างคนใดสามารถเรียนแบบได้ แม้เจ้าของจะมีจิตศรัทธาบงการให้สร้างให้เหมือนทุกอย่างยกเว้นเรื่องราคาซึ่งแม้จะสูงปานใดก็ไม่เกี่ยงกระนั้นก็หาผู้สร้างให้เหมือนไม่ได้โยมผู้หนึ่งถึงกลับนาเรื่องนี้ไปเรียนปรึกษาสมภารท่านกลับตอบว่าไม่มีใครสร้างได้หรอกโยมเพราะว่าย ม, มาบานไม่ได้สั่งมา ถ้าโยมอยากให้เหมือนก็ต้องไปตกนรกแล้วก็ให้โยมมาบาลท่านสั่งเสียก่อนท่านแนะนาชนิดพูดง่ายแต่ทำยากเกิดท่านไม่สั่งล่ะครับผมไม่กล้าเสียงหรอกและผมก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำกรรมอะไรจึงไปตกนรกและโยมมาบาลสั่งให้มาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมพระเจริญรีบตอบว่า ก็ขโมยข้าวตกโยมใครเข้าเกี่ยวข้าวมัดเป็นฟ่อนฟอนไว้ในนาโยมก็ไปขโมยเอากระสอบไปใส่เลยนะรับรองว่าตกนรกแน่ท่านพูดยิ้มยิ้มพร้อมกันนั้นก็คิดในใจว่าเราเห็นจะต้องขายทองไปสักส่วนหนึ่งนำเงินมาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างแม่หนูสะอิ่งผมไม่ทาหรอกครับหลวงพ่อ เกรงว่าจะเข้าคุกก่อนตกนรกเรียกว่าตกทั้งสองนรกเลยคือนรกชาตินี้และก็นรกชาติหน้าผมว่าถึงจะสร้างกุติกรรมฐานได้ไม่เหมือนของแม่หนูใิ่잉ก็ไม่เป็นไรเคยทําแต่กรรมดีมาตั้งแต่จําความได้เรื่องอะไรจะมาสร้างกรรมชั่วเอาเมื่อแก่คําพูดของโบรุษนั้นทําให้พระเจริญถึงกับเจ็บจิตจีดในหัวอก รีบบอกเขาว่าดีแล้วละโยมอาตมาขออนุโมทนาเอาละอาตมาเห็นจะต้องขอตัวไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมที่บนศาลาวันหลังค่อยคุยกันใหม่ถ้ามีเวลาก็มาเข้ากรรมาฐานสะสมบุญไว้นะโยมนะครับท่านผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะลา ง, งานสักเจ็ดวันมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยากสร้างกุศลให้ครบ ทั้งทานศีลภาวนาพูดจบก็กราบท่านสามครั้งแล้วเดินไปดูช่างซึ่งกำลังตกแต่งกุฏิที่สร้างเสร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยและก็สวยงามยิ่งขึ้นสองปีต่อมา พระเจริญมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอุปชาได้ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาทั้งยังได้เลื่อนจากรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งหลวงตาอ้อนก็มิได้มีอับคติต่อท่านด้วยเห็นผลงานที่สมพานนมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาวัดเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ญาติโยม ตลอดจนเรื่องการปกครองสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัดสิ่งเหล่านี้ตัวท่านทำไม่ได้หากเป็นสมภารก็รังแต่จะทวงความเจริญก้าวหน้าของวัดและที่ท่านถูกใจพระหนุ่มมากที่สุดเห็นจะได้แก่ชาตรากะต่ายและน้ำตาลตโนธที่ท่านได้รับการถวายอย่างสม่ำเสมอข้างหลวงต่อเฟื่องนั้นเล่า เมื่อสมภารไม่ได้ว่ากระไรต่อความประพฤติของตนก็ไม่ได้มีอคติต่อสมภาร น, น่มมีอยู่ครั้งเดียวที่สมภารเห็นท่านกําลังเก็บน้อยนาใส่ย่ามไปให้ลูกหลานและถูกเตือนว่าหลงตาเฟื่องการกระทําเช่นนั้นนมันบาปนะนําของสมไปให้ลูกหลานโดยไม่ได้รับอนุญาตระวังตายไปเกิดเป็นเปรตท่านพูดเพียงเท่านี้ แล้วก็ไม่เคยพูดอีกและหลวงตาเฟื่องก็ยังคงปฏิบัติอย่างที่เคยเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่สมภารพูดที่มาบวชก็เพราะถูกเมียบังคับไม่ได้มาด้วยศรัทธาเมื่อจำนวนพระในวัดมากขึ้นการบินทบาตก็ฝืดเคืองลง เพราะว่าญาติโยมส่วนใหญ่ฐานะไม่ค่อยดีพวกที่ฐานะดีก็มักจะอยู่ไกลออกไปหรืออยู่ต่างอำเภอเช่นอำเภออินบุรีซึ่งมีญาติโยมมาสร้างกุฏิกรรมฐานให้หลายห้องแต่ญาติโยมในตำบลที่วัดตั้งอยู่นั้นค่อนข้างขัดสนลำพังตัวเองและครอบครัวจะกินไปวันๆก็ทั้งยาก ไหนเลยจะแบ่งสรรปันส่วนมาถึงพระภิกษุด้วยเหตุเชนี้พระวัดป่ามะม่วงจึงค่อนข้างอดอยากปากหมองสมภารเองก็สุดแสนจะสงสารพระลูกวัดครั้นจะนำเงินไปซื้ออาหารมาหุงหาฉันกันเองก็จะผิดพระวินยัยทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุสงฆ์ยังชีพอยู่ได้ด้วยการบินทบาต ท, ที่ญาติโยมเขาอนุเคราะห์เท่านั้นวันหนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพนที่อำเภออินบุรีเจ้าภาพเขามีงานโกนจุกลูกชายและก็นิมนต์ท่านเพียงรูปเดียวส่วนอีกแปดรูปเขานิมนต์พระวัดใกล้บ้านญาติโยมชาวอำเภออินบุรีนั้นส่วนใหญ่ฐานะดี จังหวัดสิงห์บุรีรัศดรมีฐานะจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนอำเภออินและบ้านที่มีงานในวันนี้ก็จัดอยู่ในขั้นเศรษฐีพระทหารที่เขาทำไว้สำหรับพระสงฆ์จึงมีแต่ของดีดเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีปลาเพราะว่าจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาแมละ ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศว่ามีรถอร่อยที่สุดพระเจริญเลิกฉันเป็ดไก่มานานรวมทั้งนกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อต้องการชดใช้กรรมที่ทำไว้กับสัตว์เหล่านั้นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ท่านฉันเนื้อของมันไม่ลงคือวัวและก็ควายเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์สัตว์สองชนิดนี้ช่วยทานาให้มนุษย์ได้มีข้าวกิน แต่เหตุไฉนมนุษย์จะต้องไปกินเนื้อของมันอีกดังนั้นแม้จะมีอาหารมากมายหลายชนิดแต่พระหนุ่มก็ฉันได้เฉพาะที่เป็นหมูกับปลาเท่านั้นเมื่อพิธีกรนำกราวถวายสังฆทานพระสมก็ลงมือฉันพัตหารซึ่งมีหลายอย่างที่พระเจริญสามารถฉันได้กระนั้นท่านก็ฉันไม่ลงด้วยว่านึกไปถึงพระลูกวัดที่ต้องอดอดยา ก, ยาก ตัวท่านเป็นสมพานจะเสวยสุขแต่เพียงผู้เดียวก็ดูกะไรยอยู่เมื่ออดก็ควรจะอดด้วยกันถึงจะถูกเมื่อคิดได้ดังนี้ก็รวบช้อนนั่งรอรูปอื่นฉันพระที่นั่งติดกับท่านกำลังเพลอในรถจึงไม่ทันได้สังเกตในตอนแรกต่อเมื่อฉันได้ครึ่งท้องจึงหันมาถามท่านท่านสมพานทำไมอิ่มเร็วจังหรือว่าอาหารไม่ถูกปาก เปล่าลอกเราเป็นพระภิกษุคืนคิดอย่างนั้นก็ผิดวินัยแย่สิแต่ที่ผมฉันไม่ลงเพราะนึกถึงพระลูกวัดพวกเขาต้องอดอดอยากๆยากเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นค่อนข้างจะยากจนใส่แต่ข้าวเปล่ า, ลาผมกับพระลูกวัดก็ต้องฉันข้าวครุกน้ำปลากันแทบทุกวันพอมาเจออาหารดีๆผมเลยคิดว่า ตัวเราได้ฉันอาหารดีอย่างนี้ขณะที่พระลูกวัดอดอยากก็ทำให้ผมไม่สามารถฉันต่อไปได้สงสารพวกเขาจนน้ำตาแทบร่วงเลยเชียวละท่านพูดอย่างจริงจังและจริงใจหากพระรูปนั้นกลับเห็นเป็นเรื่องตลกโดยพูดขึ้นว่าท่านสมพานน่แปลกเรื่องอะไรจะต้องไปนึกถึงคนอื่น ลาบปากของใครก็ของคนคนนั้นถ้าผมเป็นท่านจะฉันให้ท้องกลางเลยนึกว่าฉันเผื่อลูกวัดแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับหัวอกสมพานก็คงจะเหมือนหัวอกพ่อแม่ถ้าลูกกินอดๆ อ, อยากๆพ่อแม่จะมานั่งกินอย่างสุขสบายในพัตคารได้อย่างไรจริงของท่านผมเองก็เป็นสมพานเวลาที่ ลูกวัดเจ็บไข้ได้ป่วยผมเป็นกังวลกับเขาก็คงจะเหมือนพ่อแม่เป็นทุกข์ตอนลูกป่วยนั่นแหละภิกษุที่นั่งทางขวามือพระเจริญพูดขึ้นบ้างแต่ผมเห็นว่าท่านชันเอาชันเอาไม่เห็นชันไม่ลงเหมือนกับท่านเจริญนี่ภิกษุรูปเดิมแยง้งสมพานรูปนั้นจึงกล่าวแก้ว่าก็ที่วัดผมไม่อดไม่อยาก ชาบ้านเขาอยู่ดีมีสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เลยเผื่อแผ่มาถึงพระผมก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของพระลูกวัดห่วงแต่ตอนพวกเขาอาพาธเจ็บป่วยนั่นสิครับใครไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าหัวอกสมพานเจ้าวัดนั้นขมขื่นแค่ไหนเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ พระเจริญพูดกับภิกษุที่มีตำแหน่งเป็นสมภารวัดเช่นเดียวกับท่านในการข้างหน้าเมื่อท่านเป็นสมภารแล้วจะรู้เองนะท่านเจริญนะสมภารพูดกับพระรูปนั้นแล้วก็หันมาขอรับคำรับรองจากสมภารวัดป่ามะม่วงครับพระเจริญตอบยิ้มยิ้มขณะนั่งรอให้รูปอื่นๆชั้นเสร็จ จากนั้นเจ้าภาพก็ประเคนจตุปัจจัยทายธรรมภิกษุทั้ง9ก้ารูปยะถาสัพพีคือกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับและให้พรผู้ที่ยังอยู่เสร็จพิธีแล้วก็แยกย้ายกันกลับวัดของตน แม้วัดป่ามะม่วงจะค่อนข้างยากจนในเรื่องปัจจัยสี่แต่เมื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นปัจจัยสี่ก็ตามมาพระเนนที่อดอยากปากหมองจึงอิ่มปากอิ่มท้องหน้าตาผ่องใสมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสน า, า, ากิจคงมีแต่หลวงตาสองรูปเท่านั้นที่ต่างไปจากรูปอื่นๆกล่าวคือ แทนที่จะปฏิบัติศาสนากิจรูปหนึ่งก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับวัดขนผลมมกรากไม้และก็ขนมนมเนยที่เป็นของสงนาไปฝากลูกหลานที่บ้านส่วนหลวงตาอีกรูปหนึ่งก็นั่งสูบยาเส้นจิบน้ำชาตรากระต่ายใส่น้ำตาลตโนดแล้วก็จำวัดหลังชันเช้าและชันเพนเข้าตำรา เช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดเมื่อมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอย่างเป็นล่ําเป็นสันสมภารเจริญก็คิดว่าสมควรที่จะทําวัดป่ามะม่วงให้เป็นสํานักวิปัสสนาอย่างเป็นทางการจึงคิดจะไปอาราธนานิมนต์พระอุดมวิชาญาณหรือท่านเจ้าคุณโชดกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านมาทําพิธีเปิด ท่านตั้งใจจะเดินทางไปบางกอกในวันที่2กุมภา พ, พันธ์2502เพื่ออรัถนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ดังที่คิดไว้ก่อนออกเดินทาง7วันท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อสดในนิมิตกล่าวคือเวลาตีสขณะที่ท่านนั่งกรรมฐานอยู่ในโบสถ์ภาพของหลวงพ่อสดก็มาปรากฏในนิมิตผิวพรุ์ของท่านผ่องใส ดวงหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาท่านพูดกับสมภารวัดป่ามะม่วงว่าที่เรามาพบเพราะจะมาแจ้งข่าวให้เธอทราบข่าวอะไรเหรือขอรับเจ้าคุณหลวงพ่อพระเจริญถามในนิมิตกรรมฐานเช่นกันแจ้งข่าวทางโลกก่อนนะเรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าไรแต่อยากให้เธอรู้ไว้เดียวเกิดใครเขาพูดถึง พระมงคลเทพมุนีเธอจะไม่รู้จักคือเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีเรื่องที่สองก็ไม่สาคัญเท่าไรคือเราจะละสังขารในวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันเธอจะเข้าบางกอกวันที่สองคงได้มางานศพเราท่านจ้กุลโชดกท่านก็คงจะมา เพราะท่านเป็นอาจารย์ของเราเรื่องที่สามเป็นเรื่องสําคัญที่สุดขอให้เธอจดจำไว้และทำให้ได้อย่างเราคือเราจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วเราก็จะได้ลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่เราได้ถ่ายทอดวิชาสติปัฏฐานสีให้เขามิศักเป็นหม่อมเจ้า แต่ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรู้แม้แต่เราเขาก็ไม่บอกสิทธิผู้นี้เรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นอาจารย์สอนอยู่สิริราชเกษีกยณอายุมาแล้วแล้วก็มาบวชเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนแรกของเราเป็นคนสำคัญมากขอให้เธอจําชื่อไว้ให้ดีพระวินยาคือชื่อของเขา หมดธุระของเราแล้วเราจะไปแล้วนะแล้วนิมิตนั้นก็หายไป